จักรยานบินก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีเด็กชายยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆชื่อของเขาคืออเลนพ่อของเขาขายญ้าเพื่อจูงเจือครอบครัวและส่งอเลนไปที่โรงเรียนอเลนต้องเดินไปโรงเรียนหลายไมล์ในทุกๆวันเพื่อนๆของเขาทุกคนมีจักรยานขับและแล้วอเลนอยู่เสมอไงอเลนทําไม่เจ็บเหรอดอนกลายขนาดนี้ เขาคงซ้อมวิ่งมาราธอนแล้วมั้งเราต้องเรียกเขาว่านายสองเท้าไม่มีจักรยานใช่แล้วนายสองนายสองมีจักรยานนายสองเท้าไม่มีจักรยานนายสองนายเท้าไม่มีจักรยาน อเลนเสียใจมากที่ใครเป็นตัวตลกในเรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงไปหาพ่อกับแม่และขอร้องเพื่อนๆที่โรงเรียนเขามีจักรยานกันหมดเลยผมอยากได้จักรยานบ้างอาเลนเราไม่มีเงินซื้อจักรยานหรอกนะลูกรักรออีกสักเดือน2เดือนได้ไหมผมขอโทษอที่ขอครับคุณพ่อผมไม่อยากได้จักรยานแล้วผมมีความสุขกับการเดินไปโรงเรียนครับคืนนั้นในขณะที่อเลนกาลังหลับ พาะและแม่ของเขาก็ปรึกษากันอนเลนเป็นหนึ่งในเด็กไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ไม่มีจั ก, กรยานท่านสงสารลูกจังใครกานแกล้งเขาได้ลงคอเขายังอ่อนไหวง่ายอีกด้วยนะตอนที่ผมบอกเขาว่าเราซื้อให้ไม่ได้เขาตกลงที่จะเดินไปโรงเรียนเหมือนเดิมทันทีผมต้องหาวิธีเอาจั ก, กรยานมาให้เขาให้ได้เอานี้ไปขายสิคะมาเรีย <Maria. S 1> ้อยคอทาอะไรได้ละ่ะ จกรยามมีประโยชน์กว่ามากนะคะเพื่ออลเลนและเพื่อคุณด้วยดังนั้นพ่อของอลเลนจึงขายสร้อยคอและซื้อจักรยานเก่าๆให้อลเลนอลเลนดีใจมากตอนนี้เขาได้ขับจักรยานไปโรงเรียนทุกวันแล้ววันหนึ่งขณะที่เขากำลังกลับบ้านโซ่ของจักรยานคันเก่าได้ขาดออกอลเลนพยายามจะซ่อมมันทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงมาจากทะเลสาบใกลๆช่วยด้วย ช่ววยยด้ยเอเลนเห็นคนกำลังจะจมน้ำในทะเลสาบเขาเรีบวิ่งไปที่ทะเลสาบและกระโดดลงไปช่วยชายคนนั้นทันทีโอขอบคุณมากหนุ่มน้อยนายช่วยชีวิตทันเอาไว้ผมแค่ทาในสิ่งที่ทุกคนควรทำครับคุณไม่ต้องขอบคุณก็ได้มีอะไรที่ฉันพอช่วยนายได้ไหมได้โปรดให้ฉันช่วยนายด้วยตอนนี้ จักรยานของผมพังอยู่ครับอ้ออย่างนั้นเหรอนายอยากได้จักรยานคันใหม่ที่บินได้ไหมฉันสามารถทำให้จักรยานบินได้ฉันสามารถทำให้จักรยานบินได้าาไดพ่อมดแตะไปที่จักรยานและทันใดนั้นมันก็กางปีกออกและเปลี่ยนเป็นคันใหม่ในพริบตาแต่พ่อมดได้เกินอเลนว่า ตราบใดที่นายใจดีและช่วยเหลือคนอื่นอย่างที่นายเป็นอยู่จักรยานจะยังคงอยู่แบบนี้แต่เมื่อใดที่นายเห็นแก่ตัวปีกจะหายไปและจักรยานของนายจะกลับมาเก่าอีกครั้งอเลนมีความสุขมากเขาพาจักรยานกลับบ้านและเล่าทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังตอนนี้ ขณะที่เด็กคนอื่นปัรนจักรยานบนถนนอลเลนบินไปโรงเรียนทุกๆวันดูสินั่นอลเลนอลเลนโชคดีสุดๆเลยฉันอยากมีจักรยานบินบ้างทุกทกที่ที่อลเลนไปผู้คนจะมองเขาอย่างเกรงขามและชื่นชมไม่นานอลเลนก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองวิเศษและกลายเป็นคนหยาบคายยิงยโสเพียงเพราะเขามีจักรยานบินพ่อครับ ลูกไม่มีเรียนหรอวันนี้ถ้างั้นพ่อขอจักรยานไปตัดหญ้าหน่อยนะไม่นะพ่ออย่าเอาจักรยานของผมไปลุยโคลโในทุ่งสกปรกแบบนั้นนะอี๋เอเลนนี่มันจักรยานผมพ่อมดมอบให้กับผมผมไม่ยอมให้ใครก็ตามใช้มันหรอกนะเฮ้เบน ไม่มีจักรยานใช้งั้นเหรอดูนี่ใช้มีรุ่นบินได้ด้วยนะพ่อมดประทับใจฉันมากจนเข้ามอบเจ้านี่ให้กับฉันขอบคุณสำหรับของขวัญ น, นะ <c oughs> ทันทีที่อลเลนพูดคำร้ายเหล่านี้ปีของจักรยานก็หายไปมันกลายเป็นจักรยานเก่าๆและตกลงบนทีน <c oughs> เด็กๆทั้งหมดต่างก็หัวรเรายกเขาเบนเข้ามาหาเขาและช่วยพยุงเขาขึ้นมา นายไม่เป็นไรนะเหมือนที่พ่อมดพูดสิ้นนะตอนนี้อเลนํานึกได้แล้วว่าเขากลายเป็นคนร้ายกาจหยาบคายและเห็นแก่ตัวเนั่นงทำให้จักรยานของเขากลับมาเก่าอีกครั้งเขาสมควรแล้วเขากลับมาที่บ้านซ่อมจักรยานและบอกกับพ่อว่าอเลนผมขอโทษครับพ่อ ผมยาบคายกับพ่อมากพ่อเป็นคนซื้อจั ก, กรยานคันนี้ให้กับผมและผมไม่ยอมให้พ่อใช้มันผมทำแบบนั้นได้ยังไงกันตอนนี้ผมขอซ่อมมันก่อนพ่อเอามันไปที่ทุ่งนาได้นะครับผมจะเดินไปโรงเรียนเองผมจะไม่บ่นอีกแล้วผมสัญญาเลยจากวันนั้นอลเลนก็เดินไปที่โรงเรียนอีกครั้งเขาและเบนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันวันหนึ่ง หลังจากหลายเดือนผ่านไปอเลนพบจั ก, กรยานอีกคันที่หน้าประตูมันเหมือนกับที่พ่อมดเคยมอบให้อเลนให้พ่อของเขาใช้มันและเขาใช้จั ก, กรยานคันเก่าในการไปโรงเรียนแต่ครั้งนี้เขาพาเบนนั่งไปกับเขาทุกวันเราไม่มีสิทธิ์หยาบคายกับผู้อื่นเพียงแค่สิ่งของที่เรามีนั้นดีกว่าของคนอื่นเราต้องรู้จักขอบคุณและเคารพต่อผู้อื่นอีกด้วย